ถ้ามีภาวะตัวรู้เป็นที่ตั้ง เป็นฐานไว้เราก็จะเห็นตัวหลงเองห <resident. S 2> ลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน <S <S ในความรู้สึกของผมนี่ก็อาศาัยหลักที่ผู้โรวงได้ตัดเอ า, าวไวนะ้ละ ทุกคนนี่ย่อมมีความแตกต่างกันในด้านของความคิดเราจะเห็นจะคิดเหมือนกันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากการแตกต่างของความคิดมันมีที่มาเราก็ต้องพิจารณาดูว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วขณะเกิดว่าในครอบครัวเดียวกันคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันแต่ทำไมอบปนิสัยนี่ต่างกันทำไมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน บางทีคนที่คิดว่าคนเนี้ย่ตขึ้นเนี่ยโอ้จะดีมากแต่กลับกลายเป็นใช้ชีวิตที่แย่ก็ได้อันนี้มันก็เป็นแง่คิดเหมือนกันนะอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นหมายถึงว่าทำไมคิดไม่เหมือนกันค่ะนทำไมทำไม้เหมือนกันทำไมมีความเข้าใจไม่เหมือนกันอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่สคัญนะการเลี้ยงดูในครอบครัวมีความอบอุ่นหรือมีความบกพร่อง หรือเป็นครอบครัวที่มีปัญหามันเริ่มต้นเก็บข้อมูลและมนุษย์เราเกิดมาก็เริ่มต้นเก็บข้อมูลตั้งแต่วัยเด็กวัยทารกเก็บข้อมูลมาแล้วว่าครอบครัวเนี่ยให้ความอบอุ่นเพียงพอไหมหรือเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาปัญหาการยาละปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจไม่เพียงพอการเลี้ยงดูไม่ถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ เด็กที่เกิดมาเนี่ยสั่งสมอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ในจิตในใจอันเนี้ยความคิดเริ่มแตกต่างนะในสิ่งแวดล้อมก็ดีตั้งแต่เกิดเล ย, ยนะคะั้แต่เกิดเลยการเลี้ยงดูคนรอบตัวคนรอบข้างตัวเนี้ยสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เหมือนกันความ ค, คิดก็ต่างกันนะหรืออาจเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็สาคัญนะเด็กที่เกิดมาแล้วถ้าไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ย เขาก็จะมีความคิดแบบความคิดเห็นก็จะเปแบบแต่คนที่เข้าโรงเรียนในระบบต่างต่างตั้งแต่ชั้นปหน 1, ปึ 2, ่งปสองปสามตั้งแต่อนุบาลเดี๋ยวนี้ก็มีก่อนอนุบาลอีงนะเนี่ยเป็นการเริ่มต้นเรื่องการศึกษาแนละ้วแต่ไม่ผิดไม่ถูกน ะ, ค, ะคนที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ไม่ผิดคนที่เรียนหนังสือเขาก็ไม่ผิดเขาอาจจะต่างกันด้วยการศึกษาเราเรียนจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องบอกว่าวิธีคิดของคนที่เรียนหนังสือกับคนที่ไม่เรียนหนังสือจะมีบางมุมมองที่ต่างกัน<ช>นะคะเท่าที่ประสบการชีวิตราผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะอาจารย์ว่าคนที่เรียนหนังสือมาเยอะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องฉลาดหรือว่ารู้อะไรเยอะกว่าคนที่เรียนหนังสือมาน้อยกว่าแต่มุมมองค่ะมุมมองของชีวิตจะแตกต่างกันใช่ไหมคะครับด้านนี้ก็คือเรื่องของเพศเรื่องของความเป็นชายเป็นหญิง ผู้ชายกับผู้หญิงก็คิดได้เหมือนกันเหรออาจารย์ผู้หญิงจะคิดไปอีกแบบหนึ่งผู้ชายจะคิดน้อยแบบค่ะจะสรุปได้ยากมากจะสเกตนะผู้ชายจะคิดแล้วสรุปเลยจะไม่คิดมากสรุปเลยคคนที่นอนไม่หลับนี่ไม่ใช่ผู้ชายนะผู้หญิงส่วนมากจะนอนไม่ค่อยหลับอ๋อผู้ชายเขานอนไม่หลับไม่เป็นกันหรือไงคะเออส่วนมากส่วนมากออไปดูเถอดจิตแพทย์อ่ะผู้ชายมักจะสรุปไวไม่ใช่สรุปใบดีนะะ โอ้นี่ไม่ดีเลยชีวิตนี้แย่เลยสรุปใบปั๊บฆ่าตัวตา ย, ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะสรุปใบแต่ผ<อ>ู้หญิงก็จะเก็บเอาไว้เนินนาจะมี ค, ะความอดทนเรื่องกดข่มอารมณ์ได้ดีกว่าแล้วตกลงอันไหนดีกันละคะสรุปใบกับการกดข่มอารมณ์ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สรุปใบาอาจจะสรุปว่อ า, าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเอ ง, องปล่อยวางโอเคปล่อยวางะะมันซะนะสรุปใ บ, บแต่บางทีสภาวที่อาจจะยังคิดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะ ทั้งที่รู้น ะ, ะแต่ต้องไข่ครวนวิตกังวลอันนี้ไม่ถูกไม่ผิดน ะ, ะส่วนมากที่ได้เคยฟดมาไม่ถูกไม่ผิดไม่ดีไม่ชั่วอันนี้เป็นแค่ความเห็นอันนี้เมื่อกี้เรื่องของเพศชายเพศหญิงความคิดก็จะต่างกันอาจจะด้วยอะไรก็ตามแล้วก็เรื่องของวัยวัยวัยไม่ถึงว่าเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กเราคิดอีกแบบหนึง่งเช่นเราชอบเล่นตุ๊กตาเราชอบเล่นสนกสนานต่อมาเนี่ยพอขึ้นวัยรุ่นเนี่ย เราไม่คิดอย่างนั้นแล้วเรามองถึงอนาคตแหละมุ่งแต่อนาคตว่าจะทํายังไงดีจะมีอย่างนั้นจะมีอย่างนี้มีความหวังวาดหวังไม่มากมายคแล้วก็ตุ๊กตาไม่เล่นละวัยรุ่นก็อาจจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นอะไรที่โรดผลกว่าตอนเด็กๆเสียว่าวัยรุ่นเนี่ยจะมีความสูุขสนานมีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นชอบอยู่คนเดียวชอบที่อะไรคนเดียวแล้วก็บางทีก็มีเพื่อนฝูงมากมายติดกลุ่มติดฝูงเนี่ยคือวัยรุ่นนี่แหละ พอเป็นวัยผู้ใหญ่เราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเราจะไม่เล่นเล้วตุ๊กตาเราจะเล่นรถนึกถึงบ้านนึกถึงอนาคตสร้างฐานะของเราได้อย่างไรบ้างจะคิดถึงครอบครัวเนี่ยจะมีความกังวลมากตอนที่วัยผู้ใหญ่เพราะว่าเริ่มมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นพอามคิดก็จะเป็นอีแบบหนึ่งจะต่างกันพอสู่วัยชราก็คิดแบบหนึ่งวัยชราเนี่ยแม้แต่จะคิดมากอะไรก็ตามจะสรุปลงที่ปล่อยวางจะมากกว่า คนที่มีอายุมากเนี่ยสเกาดูเลยอินทรีย์ต่างๆในจิตใจในร่างกายเนี่ยจะอ่อนลงโลภก็ไม่โลภมากโลภน้อยลง น, ยน้อยลง <c oughs> เรื่องการมราคะค่อยๆลดน้อยลงไปค่ะ <c oughs> เนะแต่เรื่องความหลงนี่มันไม่แน่อาจจะมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่ได้ฝึ ก, กจิตฝึกใจเอาไว้เพราะฉะนั้นการต่างการของความคิดความเห็นเนี่ยมันอยู่ที่ไวเนี่ยการศึกษาก็ดีไวก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีพวกนี้ยประสบการณ์ชีวิตนี่แหละ จะทําให้คนเนี่ยต่างความคิดบางทีบางคนเนี่ยเขามีประสบการณ์มาเขาก็สามารถพูดหรือคิดในสิ่งที่เขาประสบมาได้แต่เราเองเนี่ยบางทีไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนั้นแล้วก็คิดไปแบบหนึ่งว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกการไปจังหวัดเชียงใหม่คนอยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเชียงใหม่เป็นอย่างไรดอยสุเทพอยู่ตรงไหนอากาศเป็นอย่างไรคแต่คนภาคกลางที่ไม่เคยไปมันเป็นไปไม่ได้มากเมืองไทยเหมือนกันมันต้องอากาศเหมือนกัน เราก็โวนสรุปว่าอันนี้นคือถูกต้องของเราแต่ว่าของเขานี่ไม่ใช่มันกลายเป็นว่าคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วแล้วก็ได้ผ่านชีวิตมาหรือได้ไปสัมผัสโดยความจริงเนี่ยเขาก็จะคิดเห็นในแง่ของเขาแต่เราไม่เคยไปเราก็จะคิดเห็นอีกแบบอาจจะเห็นด้วยหรือปฏิเสธจางกาลังจะบอกว่า <S <S> <S ประสบการณ์ชีวิตก็ทําให้คนเราเนี่ยมีความคิดเห็นต่างกันสําคัญมาก ค, คนที่เคยเกลียดงูแล้วก็เกลียดงู คนละคนก็ไม่ชอบลงูแต่คนนี้ประสบการณ์ช่ำชองเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงงูแล้วก็จับงูแล้วก็โชว์การเล่นลีแรงตามการจับงูเ ข, า, ขาไม่กลัวงูนะงูคือเพื่อนของเขาเป็นตัวแต่เราเนี่ยทำอย่างนง้นได้อย่างไร <c oughs> แ, แล้วก็สงสัย <c oughs> แต่ไม่อยากหรอกเราลองไปเล่นงูกับเขาสิาล้วก็จะเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพราะเราไม่ได้สัมผัสเราก็โวนสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสาคัญมากนะเรื่องประสบการณ์เนี่ยคเพราะนั้น การที่ไปดวนตัดสินใจว่าทําไมเขาไม่คิดเหมือนเราคิดยังไม่ถูกหรอกมันไม่ถูกต้องพุทธองค์ก็เหมือนกันนะคะสมัยก่อนเนี่ยเคยได้อ่านท่านก็จะชอบไปพูดคุยกับพวกอัญญาดิลถีและอัญญาดิเถีก็ชอบมาหาท่านแต่พวกอัญญาดิลถีเนี่ยก็จะมีความคิดอีกแบบหนึง่งการปฏิบัติธรรมเพื่อความเบนทุกตัวทําอย่างงี้นะผู้รองไม่ขัดแย้งนะไม่ขัดแยง้งไม่ตัดสิน ว, ว่าผิดแต่ก็ไม่ทําตามไม่ตัดสินแล้วก็ไม่บอกว่าผิดแต่พูดบอกว่าอ๋อ เธอเข้าใจอย่างนั้นเหรอแต่ของเราเนี่ยเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เห็นไหมเอาความคิดที่เรามีความคิดันอยู่พูดคุย<ช>นํานไปเสนอไ ม, ไม่ตะถิ้นว่าอันนี้ผิดของฉันนี่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นของเราถูกต้องของเธอผิดแต่ท่านวางใจเป็นกลางๆรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าของเราเป็นอย่างงี้นะแล้วอัญญาณีทีก็ฟังแล้วเข้าใจอาจารย์ค่ะก็ปัญญาระดับพระพุทธองค์นะคะก็ เป็นที่หมายได้ลคะค่ะว่าสามารถที่จะโน้มน้าวหรือว่าแสดงให้อัญญเดรัีเข้าใจตามพระองค์ได้แต่ปัญญาระดับเราเราปุถุชนเนี่ยนะคะอาจารย์คะ่ะสมมติถ้าเรามกรณีว่าเพื่อนของเราคิดเห็นไม่ตรงกับเราแล้วความคิดต่างขั้วกันเสียด้วยอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงละค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกการศึกษาการฟังการทำความเข้าใจเนี่ยมันช่วยได้ เราคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องไหนเรื่องธรรมะแล้วเราก็มาฟังธรรมะสนใจธรรมะพิจารณาตราตองแล้วเทสําคัญนะสำคัญที่สุดก็คือลองปฏิบัติ ด, ดูลองทําดูว่าอะไรถูกอะไรผิดเราจะเข้าใจในส่วนนี้ต้องลองทําดูแต่สําคัญด้วยวต้องเปิดใจกว้างรับฟังเอาไว้อย่าเพิ่งวันที่เส็จแล้วลองทําดูเรื่องของความคิดเห็นที่ต่างกันเนี่ยเราถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะการคิดเห็นอาจจะแตกต่างกัน แต่ว่าการใช้ชีวิตอย่าไปแตกแยกจากกันแตกแยกไปแล้วก็ต้องมีการลบลาข้าวฟันคือหมายความว่าถึงเราจะคิดต่างกันแต่เราควรจะยอมรับในความต่างแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติได้ใช่วางตัวอย่าแตกแยกเหมือนศาสนาเนี่ยแนวคำสอนอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าการแตกต่างของศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องปัญหาเราสามารถเข้าใจแล้วก็ไม่ทาตัวแตกแยก อยู่ด้วยกันได้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ถูกต้องที่สุดหลักการตรงเนี้ยดีค่ะอาจารย์คะแต่ว่าความเป็นจริงของโลกเราโดยเฉพาะสังคมไทยในวันนี้นะคะเรามีความแตกต่างและก็แตกแยกในเรื่องความคิดเห็นกันเรียกว่าสุดขั้วกันพ อ, อประมาณแล้วก็ทำให้เพื่อนของเราหลายคนหวั่นวิตกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินของเรานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเราก็อย่าไปวิตกตามเขากันแล้วกันอ้าว เริ่มต้นด้วยกันไม่วิตกตามเขาแรกนะคะเพื่อนเราฟังกันนะคะเรามีสติเราก็รับฟังเอาไว้หนึ่งไม่วิตกตามสองกั้นสติสามรับเข้าใจเขาเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นอย่างงี้แหละคไม่มีอะไรที่จะไปทางเดียวก็ได้หรอกมันย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดาเรามอกยิความเป็นธรรมดาซะเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ต้องไม่เครียดแต่บางทีเวลาเรารับฟังประสิ่งบางอย่างเนี่ยการฟังก็ดีการเห็นก็ดีแล้วต้เปิดใจกว่า รับฟังฟังแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่เหมือนคิดไม่เหมือนเราเราก็อย่าไปตัดสินเขาการด่วนตัดสินเขาเนี่ยบางทีถ้าถูกก็ถูกไปถ้าผิดนี่เราจะเป็นบาปมากเพราะฉะนั้นการตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องระวังให้ดีอย่าเพิ่งไปตัดสินเราดูที่ใจเราอ๋อดูใจเราใจเราเป็นอย่างงี้นะใจเราไม่พอใจโออเราก็มีสติรู้มันใจเราเห็นด้วยถูกต้องเออมีสติรู้มัน <c oughs> ดูที่ใจเราเนี่ยมันปลอดภัยมาก ทุกคั้งที่เราเห็นจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งที่มากระทบพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามอันนี้แหละทุกครั้งที่รู้เนี่ยจิตจะเป็นกุศลอยู่เรื่อยเลยาการรู้แต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับเป็นการหลุดออกมาจากความคิดหรืออารมณ์ที่เราได้กระทบนั้นเนี่ยเป็นการที่มีสตินําเอาสติมาใช้กับจิตประจํยาวันในสิ่งที่เกิดขึ้นปลอดภัยมากเพราะเราไม่ได้ตัดสิ น, นอะไ ร, รการแสดงความคิดอะไรก็ตามเนี่ย ก็แสดงไปเป็นกลางเธอเข้าใจยอย่างนั้นหรือแต่เราเข้าใจยอย่างงี้นะแต่ไม่ได้บอกว่าของเธอผิดของจันถูกอันนี้ก็ไม่ถูกต้อง yeah. คือเราต้องยอมรับในความเชื่อแล้วก็ความคิดเห็นของอเพื่อนของเราที่อาจจะแตกต่างไปจากเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรที่จะไปฟันธงว่าของเขาผิดโดยว่าประสบการณ์เนี่ยสาคัญมากบางคนมีประสบการณ์เรื่องนี้มากถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนนั้นเนี่ยเราก็จะเชยไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนผมเคยเห็น ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านคเช้าขึ้นเขาก็มีกระติกน้ํามีมีดมีกล่องยามวนบุหรีนะ ะ, ะลงมาเต้ทุนกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็มวนบุหรีแล้วก็ศพแล้วก็จับเอามีดเอากระติกน้ําเดินเข้าสวนไปไดายา้ย่าทําความสะอาดในสวนแล้วกลางวันก็กลับมากินข้าแล้วก็นอนตอนบ่ายถ้าไม่งั้นอีกเราเคยมองว่ามันจะมีความสุขอะไรที่มันจืดชืดนะเนี่ยที่มันจืดชืดนะมันเซ็งนะ แล้วก็มองเขาอย่างเงี้ยเขาทำางี้ทุกวันน ะ, ะแต่เขามีความสุขสดชื่นอยู่ในตัวแต่เราเนี่ยมันดูเขาสังเกตเขาเนี่ยโอ้ไอเราต่างหากที่เป็นทุกข์มากเขาเพราะได้พูดคุยแล้วอ๋อเขาทํางานแบบสบายสบายไม่สบายสบายเลยตอนหลังเขามาสนใจธรรมะมาฟังธรรมะเลิกสูบบุหรี่ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ เ, เนี่ยตอนแรกเราเหมือนว่าเขาจะจืดชืดแต่เรานี่ยค่ำคล่งกับการใช้ชีวิตแล้วบอกอ๋อชีวิตอย่างนั้นเน่ยน่าจะดี แล้วเข้าใจอย่างนั้นนะแต่เขาก็ว่าดีๆๆจริงๆจริงเขาก็าชีวิตอย่างเราเนี่ยโอ้มันค้ำเคร่งเกินไปแต่เขาสบายๆใช่ไ่มใช่ไหมชีวิตบ้านนอกนี่มีแต่ความผอนคลายสบายๆเราต่างหาที่เป็นที่ยึดมั่นถือมัน่นคในสินน่งทุกสิ่งนี้แต่ถ้าเรามีสติสักหน่อยจะรู้ว่าอ๋อไอ้พวกเนี้ยมันยึดมั่นถึงมไม่ได้หรอกรู้จักปล่อยวางมันซะยึดทีไรเรา ก, ก็ทุกทุกทียึดทีไร ท, ทุกทุกทียึดกายก็ทุกเพราะกายยึดความคิดก็ทุกเพราะความคิด สติเป็นผู้รู้ก็ทุกไว้ตัวผู้รู้เนี่ยต้องปล่อยวางไปเถอะปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาใจปล่อยวางทรัพย์สมบัติญาตพี่น้องในระหว่างที่เรายังไม่ตายก็ฝึกปล่อยวางไว้แต่ก็ยังทำหน้าที่อยู่แต่ทำที่แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นพร้อมทั้งก่อนจะตายก็จะปล่อยวางขันห้าลูปนามซะบ้านเราจะได้ไม่ต้องมีใครตายไม่ต้องตายเพราะไม่มีคนตาย มีแต่ความตายเราเห็นตนอนนั้นเองอันเนี้ยเป็นกระบวนการองการมีสติทั้งนั้นเลย